Fifty languages. t n h การเรียนภาษาต่างชาติ a p r e n d lenguas extranjeras. คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ n a p r e s español. คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Parla portuges també? ค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Si, també parlo un a m i c a d'Italia. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ด so ีมาก Penso che p a r l a molto. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีแต่การพูดและการเขียนมันยากดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ No d u บ t i a corregir-me s i o s plau การออกเสียงของคุณดีมาก La s e v a p r o n u n c i a c i ó és m o l t มอ n a คุณมีสำเนียงนิดหน่อยเตี้ยวเลคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหนอสปตั d ด v i n a r d'on เบ ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ Ara? โน้มันระคอร์ดดอลนัมดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะอัลติทูลโนมเบลาโมเรียดิฉันลืมไปแล้วค่ะเลอบลิดัต